กัจจายนสุตตะโมตัสสะปะกาวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะปะกาวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะปะกาวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะสันติอทโอะอคคารสัญญา อกคราปตยโเอกจตาิสังตทโทันตาสะราอัตทะะหุมัตตายรัสอัเยติคาเสสพยัญชนะวะคาปัญจปัญจโสมันตาอังอิทินิขหิตังปรสมัญญาปโยคปุพมทฏิต มาสระสเรนวิโยเชยนยปรังยุปอิติสันทิกเปปัโมกันโดสราสเรโลปังวาปะโรอาศัรุปะกวจสมนังุเตติการปุปโฉยะเม ทันตสาเทสวะโมทุทันตานังสปโฉจันติโททัศจะอิวันโนยังนาวาเอวทติสระริปุโปจาระโสอิทิสันติกาเปตุติโยกันโดสรัปกติปยัญชนีสระกวจิ ที่ังรสังโลปัญจตตราการโรปรทเวพาโวธานีวัคเเโคสะโคสนังตติยะปัมาอิติสันธิกเปตติโยกันโดอังพยัญชนะนิขิตังวักันตังวาวัคเเเอเหยยังเสยเจมะทาสเล ยาวามะทนาตะลาลาจากขมากวัจีโอพยัญชนะนิกขีตันจากวัจีโรปังพยัญชนะจาปรวาสโรพยัญชนะจาวิสัญโยโกอิติสันติกเปจจทุตุกันโดกุสเรปุตัสสะกโมกวัจี ปัสสจันโตระโสอภะอภิอจฺโอาธิเตนวาอิวันเนอติสาจันทัสสะกวาจิปติปติสะปุถัสสุพยัญชนะโออวัสาอนุปติธานังวุตโยกาโต อิตสันติกเปปัญจมโอกันโดสันติสุตังนิตตังนามะชินวจนะยุตังหิริขันจานิปัจเจติทัตโตจาวิภัตติโยสิโยังโยนหิสนังสม n ยสนังสมิงสู ตันปโรเตนะอรปเนสิกสันโอวันุวันาชราเตอิติขยาปะอโคสักโมเสสังสัสวกวาจเนสุจัเอติมาสมิทัสสาวะทัโตสัสสัสสายะโครสงโนจตวะทิตโตนะมหิ อมาปโตสมิงสมาังวาอทิตโตโอจัจฉานมิยุวาสเรวายวการาจ้าปัศญสัจาาวเสโยสุจาอวามิหิจ้อวัสวาตตโตนามังปติมหารุเตจสมาเซโอสเรจ แต่พี่ปรีตูปปตติพยัญชนจะโคนาณามิวัสุนมังสุนามะสุหินาสุจะอโมเคิังลาเปหิลโลปมเตสปัจจะยติมิลโลเปตุปติอโกรสเมกวจนยสวะปจ นัสิมิมณปุงสกานีอุปาทิโตนมินังอินมินนัังตีหสังขยัยยัสุโยสุกตานิการะโรเปสุทีรังสุนังิสุจปัญจตีนมัตตังปฏิสิิมิ พัดสินิมหนาตุสันโตโยสุจัสัสสาวะอนเสสุสมหิวาอคิสินิโยสวาคตารสสจูเวโสุโรจัมาตุลาทินมานัตมาไมกเร สมัสมิงนังมหพิมหิวานาติเมหิกตากาเรหิสุหิสวกาโรเอสัพมานานังวานามหิจอะโดเนนาโซโซวาติโคเรหิสัพพโยนีนมาเอสมัสมาสมินางวาอา อายะจตุเทกวจนะสตุทายโยเนวะจะสปนาเมหีฆาตโตนาทินังปัตโตยะส a คโปัสสัคโตฆาตเซวะฆาตเจนะอามาทิตโตอกตตารสรโตยวะปนะสสะเววสัรัตโตสัสสนุวะ กัโตจายยนังโลโปละโต๊ะกรโฉจัดยินามะเกเพปัตโมกันโดอามาสะมะมังสวิปัสสะเสมายังยมหิปัตเมนัตุสนาโตนัตสักเซวะ อาสิมีอังนับปุงสกเกอวันนาจกเกโตติตาสสมิงนาสุนัมหีตังวาอิมสิตามังสิสุนับปุงสกเกอมุสซาตุงอิทิปุมะนับปุงสกสักสักสังขยังโยสุทเวนังทเวจ่า ทิจาตุนังติโสจตัสโสตโยจตารตินิจตาริปัญจาทินมกาโรราชสระโยราชินโอเซรัญยังนามหิวานามหิรัญยาวาสมิมิหิรัญเยราชินีตุมหังหักังตเยมายเตวามหังสิมิจ่าเตวามามเซ ตุหังไมหันจาตมามมหตวังมมันจาวานาตยามยาตมสตวงตวามมหปทัตโตตุติยาจตุจตุทีสธิสุโบนโเตเมกวัจเนสุจ นานามหิวาตติเยจ่พระพหุวัจเนสุวโนภุมันตัสสาสิมหิอมารัปปเนกวจเนสมาเสจวิภาสาโยสวโนอานเนสมิมหิวาหิวิปติมหจ่สุสมิมาวา อุนามิจักกมันตัสจาจอิตินามกเปตุติโยคันโดทุมหัมนะเฮตุมหัมเฮฮีนามังวายวะปตโมสัสสังสังารเตปตโมสปนามะมะคารเตปตโมทวันททาวา นั่นยังสัปปานามิกังพหุมปิหิมิจักสัปปโตนังสังสานังราชาราชุสุนังหิสุจักสัปปสิมเสวะอานิมินามิจัอนปุงสกขะสัยังสิมิอโมส s โมสังเอตเตสังโตทัสสะวานตังสัปปทา สัสนมาสมิงสังสาสวัตตังหิมสัตสจสัตโกขัพโตสมิงสานังสังสานเนทะหิสมิมามโนขนะทิตโตสมินานมิอาสัจจจเอเตสมโรเปสัจเรวขโมสันตสัตสัสะโสเปโพจันเต สิม at ีข้าันตาที่นางนาตาสัตโอังเสสโสระตัวพระมัตตาสักะราชิตโตอมานังเสยจะโยนาโมสักะโตจะโยโนสมิเมสมัตพระมัตโตวัสจะยะ พรมัทธัสสกจาสกันตัสีนุนันังเสสุอโรหิมหัสุนังสุวาพระมั o ธยุสิมิงนีอุตังสนาสุสัตุปิตาตินะมะสิสิมิงสิโรปจั อันเยสวาตังวาณามิสตุนาตัญจ้อุสสิมิงสโรโปจ้สกามันาตัทีมันจะตัตโตโยนโมตุตัตโตสัมมิมิณาอาอรรถสิมิกาเรปิตานัมาสิมิ ปตนมสิมหิตยาตยนังตกโรตวตังวอิทินามกเปตตติโยกัโดอตันโตหิสมิมตังตตโติงนิสนสมานะกปโตจกปโต ชราโตจ่าคาปโตเสมิงยังว่าโยนังนี่นัปุงสเกหีอาโตนิจังสิงเสสตโรปังคสิปสภสมาวุโสปสกะนิปปัตติจปุมสลิงคาทิสุสมาเสสุ อังยามิโตปะสันยะโตอังนัมจะโตคัตตระสะโยนังโนสมิงนิกิสสะกเวจจากูหิงหังสุจจาเสเสสุจจาตรัตโตเทสุจจาสัพพะเสตัสสะกรวาตรนณจัง เอตโตเทสุจจายิมัสสตังธานีหโตเทสุจจาอธุนามจจาเอตระหิมิิติยมาโตอภัตติโยนาถาทิตโตวะอีนวานิกาไนยะนาณาตุหีปัตติปิโก ราชการันตีอินีนาตุสาตมีการีวโตโพโตโพตุอากาฬปิตาทยันตานามาชรปารสังอากโราอิินามกเพจตุโตันโดตวทยวิภัติสัญญาย กัจจิโตปัญจมัยเตตัทรธาสัตตเมยาสปนาเมหีสปโตทิกิงสมาวะหิงหังหินจนนังตัหะจะอิมสมาหะทัจจยะโตหิงกาเรกิงสัปกิงสัพันเยกายะกุหิทาทาจันัง ตมหานิจอิมสมาระหิตุนาทานิจสัพสาโสธรรมีวาอวันโเยโรปัญจวุทธัสสะโววุทธัสสะโยอิจิเตสุปัสสทัสสะโสจอันติกะสะเนโทบหัสสะสาอะอภัสสกัน ยุวานันจาวันตูมันตุว n นันจาโรโปยวะตังตระนาถการาังปยัญชนานิจารย์ยชะการตังอามาตุมหานตูราชาปรมะปรมัตตสก a สสตุปิตติหีสมานาวะ อิตนามกเปปปัญจโมกันโดนามสุตังนิตตังการกะยัสมาทะเปติยัสมาทะเปติปยาทัตเตวาตัปาทานังตัตุนามาณโมปัสสะกโยกาติสวาปิจาระกนัธาณมิจิตังเยนะวาทัสนัง ทูรันติกาตะการะนิมานะตวารพะทิสายกาิปัตตาระปโยก้สตปโมจนาเหตุวิวตปมานะปุปโยก้ปันตะปันธนคนวจนปัหากานาโทกาคตุสุจะยสัตตุกมโโรจเตติทยเตปะ เทวตังสัมปทานังศิราคาะนุทาสัปปาระพิหะกุทาทุเหสุสุยาราติกาปัญจสุนาอนุปฏิกินาปุปปากตาโรจนาตาตถาทตา ตุมาารมัตถะมัญญานะทรัพยานินิกาตยัตตะกัมมานิอสิสัตธะสมุติพิโยสัตตะสัตตมัยยัตเทสุจะโยทาโรตโมกสังเยนวากายะระเตตังการะนัง ยังกโรติตังกมังโยกโรติสักตาโยการีติสหิตุยัสวาปริคะโหตังสามีลิงกะเทปัมาอรปเนจักการเนตตัติยาสหะทิโยเกจักกตตากตริจัก เหตวะเทจะสัตมยเทจะเยนังขวิกาโรวิเศสนะชะสัมปทานจชะตุทีนะโมโยกาติสวัปปิจะอาปาทานปัญจมีการะนัเทจะ กรรมเททุติยาการัฏฐานาการัฏฐานะมัจจันตสังโยคีกรรมปวัจณียายุเตขติพุทธิพุชชปทรคะกระเศยทีน นังการิเตวะสามิงสัติจัสามิสามิงสัติจักวุคเสสตัมิสามิสาราติปติตายาธาสักีปติภูปสุตะ กสเลหิจักนิารเนจัอนาตรกวจิุติยาจตินมัตตติยาสัตตมีนันจติจทุติยาปัญจมีนันจกมกรณะนิมิตเตสุสนิ สัตตมีกรมกรณานิมิตตเทสุสัตตมีสัำปะเนจปัญจมยตเถจการะพาเวสุจ่าอุทยาที่กิสรวจเนมนติตุสุเกสุตัติยาจ่ ตินามเกเปคารากาโโปจัตโขกันโดคารากาสุตังนิตติตังสมสะนามังสมสโยุตตโตเทสังวิปปติยโรปัจจปกติจัสสะสรตัสสะอุปสนิปตาปุ ภโกอภิยะยีภะโวสนะปุ้งสการิงโขทิขุตเสกตังตถาทวันเทปันิตุรีเยตุริยโยคะเสนังกะกุตฉันตุกะวิเวทาวิรุตตวิสภากถาทินัญจะวิภาสารุกะ ตินาปสุธนนาทัญญาชนะปธาทินัจาทวิปะเทตุนยาทิกรเนกามาตรโยสังขยาปุพโพทิโุอุเบตปุริสาอมาทยอประปเทพีอนยาปธาเทสุปโิหี นามังสมุจโยตวันโทมหาตังมหาันญัทธิกรณีประเทศอิติยังพาเตปุภิภุมิติปุมาวาเจกามาธารยะสัญญาอตตังอาสัตตปุริเสสสเรอัน กัตกสะกปทเทสุจักรวจีสัมาสันตากัตนากตาคักรนโตนิทนาทิมฮาจานาทิมหาจาศายายตทางชานิปติมฮิตนนมหาจา อังวิพัตติอังวิพัตตินาอังวิพัตตินะมะมาการัตมากะรันตาอภิ ย, ยีภาวะสโรระโปุงสเกอัญสมารโปรจาเนามะกะเปสมาสากะโปสัตโมกันโดนามาสุตังนิตติตัง ตทิตะวานเจนายนวานัเจนายนานานะวัชาธิตโตนโยกัตติกาติหิอโตนิวานโวปะกวาติหิเนระวิทวาิโตเยนวาสังยุตังสังยุตังตรติ จารติวหวตินิโกตมาทิเตเตนตาทิสนิธานนิโยคะสิปพันดชีวิกเเสสุจันาราคาตัดเสตมัญะตัมัญจเทเสสุจั ชาตาที่นามิมิยาจะสมุหเทกนาคามชนะปันทุสหายติหิตาตัตสะทานามิโยจอุปามะทายตตัง ตันิติตติโรอาลุตตาโเลนยตาตตภพาเวตุนาวิสมาดิยิระมณิยาทิตโกันวิเศษตระตมิสิกิยธาตัทธัตตติวีจา ตาปาทิโตสีธันดาทิตโตอิกาอีมาทวะทิโตโรกุณาธิตโตวันตุสยามิตโตมันตุอายุสุขารสามันตุหีสัตตทิโตนาอายุสุขารสามันตุห ตถาภิทตวจเนสมโยสังขยาปุรณะโมสัจสวะเอกทิตตตัสสีทัสเสสนิจัญญาอันเตนิกะฮิตันจาติจารัฐรานัง วิสติทัศนสุภาทวิสตูเอกาทิโตทัศระสังขยาณีอัตตาทิโตจะทเวกัตถานะทเวกัตถานะมากาโรวาจตุเชหิตา ชาวิตหีติโยติเยตุติทุตาปิจเตสมาทปปะเนะอตุตถิวัิยัตถัตติยาสรปานะเมเวสกิงคะเนทัสสัส ตวิติจตุปัญชาชสตอนวการัวีติจตระระปญญาปัญญาชสตัสนวโยสุโยนจีสมมาสังิรูดีจตปปัตสสโรโปตุตระปัตถ กัสจุโฌปีนวายาทโนปปันนานิปปันนาสิชันติทวาดิโตโกเนกัทเจทัสสะทัสสกังสตังทัสสะกาังสตังสหัสสะสหัสันเจยมียาวะตทุตะริ ทัะคุณานจะทัศคุณิตันจะสกะนาเมหีเตสังโนโลปังวิภาเคธาจะสัพนานาเมหีปาการวจัจเนตุธาหิมิเมิกิมิเมหิทังกิเม ิิเมหิังวุทธาธิสรสวาสังโยคันตสะเสนจมายุมาคโมธานอัตัญจักวจจะิมชุดรนังทีัสะปัญเยสุจัเตวติโรปาทม พิการะพิปริตาเทสะจาอายุวันนานจายโุธอิตินามะกเปตตตติตะกโปอตมโอกัโดตติตะสุตังนิตตังอาขยตะ อาาปุปันอิปัตินัง no จักประ s a ปธานีปราณุตตะโนปธานีเทเวเทเวปตมะมชิมะมุตมะมุชิมะปุริสาสเพสเมกาพิธาเนปโรปริโสนามมิปยุชมะเนปี pi. ตุยติกรเนปทโมตุมเมสโมอมเอุตตโมกาเลวัตมนาปจุปเนอนัตตยาสิเตนุตตกรปัญจมีอนุตมาอนุมัติปริปริกปเทสุสัตมี อปัจเจเขปรกติเตหิโยปภูติปัจเจเ i หิยตนีสเมเปชะตานีมายกเขสปการเจอนาคเทพวิสันติกริยติปนิติเตการติปติวัตมนาติอันติสิทะ มีมะเตอันเตเวะเฮเอมาเปัญจะมีตูอันตูหิตะมีมะตังอันตังสัสุวะโหเอามาเสัตมีอายะอ a ยงอายาศีอายะตะอายามีอายามะเอะเอรังเอโธอายะวะโหอายังอายามาเปะโรคาอาุเอตตะ อังมหาตถเรตทาวะโหอิเฮยตนีอาอูโอตถาอังมหาตถาตทุงเสวังองไมเฮอมหาเส อชะตานีอุงโอตตาอิงมหะอาอุเสวัหังอังมเหภเวสันติสสติสัสสันติสัสสสิสสสตสสามิสสามะสสเตสสันเตสสเสสสวะเฮสสสังสสาเฮ การติปติสัสสัสังสุสัสสสตัสังสัสมาหาสสตัสสิสุสสเซสสมาเหสสิงสสมาเซหิยตนิสัตตมิปัญจมิวตมนาสัพาตุกังอิทิอาคยตาคเปปโมกัโด ทาตุลิงเคหีปราปัจยาเทชะคุปกิตมะเนหคัจาวาผชาคสหราุปาิหิตุมิจเตสุอัยานัมโตกัตตุ มาตาจเรอิยูปมานาจนามหาตมิชเตทาตุหีเนนยะนาเปนาปยะกาิตานิเหตวัตเตทาตุโรเปนามะสมา ท่าท <c oughs> ู่รูปเป็นนามสมานนัยโยจะท่าทู่รูปเปนามสมายจภาวะกเมสุโยตัสสะจะว่าขะยะการะวการตังสทาวันตั อีวันโนอีวนาขโมวาอุปรปัญจตถาคตริจัภูวาทิตโตจัรูปาทิโตนิกหีตัปุพพันจัทิวาทิตโตโยสวาทิโตนุนาโอนาจักิยาทิโตนากาหาทิโตปปานาหา ทนาทิตโอยิราจุราธิโตเนนะยาอัตนโนปธานีภเวจากรรมนีกตเระจาตาตุตาตุปัจเจเยหิวิปัสติโยกตเริปราาัสสะปทงังภูวตโย ο, ทาตว ο, อยติอาขยตากเปทุติโยกันโดกวจาติวันนาณะเมกัสรานังทเวภาโวปุพโพภาโสรัสโธทุติยะจตุธานังปัตตมัตติยากวจากวคกัสสะจวักโค มานักิตานังวัดตังวาหัสัจโอันตัสิวันนากรวาเนคหิตันจะาตตโตปัมมะนานังวมังเสสุทาดติโตปาปิโวยัสสะชาชนาทิสสะสะปะสะทิสสะทกขาวา พยัญชนะตัสสะโจชาปจะเยสุจัโเจ่ารสะกิเซปรุูะมหปวโรขยังคเมสันโตเจโชวาสัพพสุวัจสสะชาตานิมหิมะกรโอ อภคารตีขังหิมิเมสุหิโรปังวาโหติสเรโหเฮวิสันติมิสสจสะสัะเยสุกรสะสัะสัะยสสะห อิทิอัคยาตกะเปตติโยกันโดททันตัดสังมิเมสุอัสังโยคันตสาวุที่การิเตขตตาทีนังว่าอันเยสุจะฆหา ทุสนังติคังวจวะสะวหาตินมกรวัสยยหะวิหะวิปริยโยโลวกหัสะกหัสะเคปะเปหะโรโปนาหมิกรสะกสตม ตามะตนิมฮีอสสมะมิมาณังมิมหามิมหะตัโรปโะตัสสะตตตังติสสะตติงตุสสะตตุตังมจ ละพัสมาอิอมาอิอิอิงนังตตตัตถังกุสะสมาติจัสีตถาทุตสุตัจจังวัตสสะวัจจังกรมิสะกรัง ยมีทัธามาธาฮาปามหามาธินามียายัสสติสิสัพโตุงิสุจระมรานังชิระชิยามียาวาสัพทาสัสสติโลปจ่ อาสัพะทาตุเกนาอสัพะทาตุเกยาอายัสสะยโตียยายสโรโพยะการตังโรปัญเจตตมะการโวโอตมการโวการสักกรวาการสักรวาโออาวสเร เอายาเตอาวายาคาริเตอิการะคโมอสัะทาตุตุกัมหีอิการะคโมอัสัปะทาตุกัมหีกวัจิทาตุวิปัติปัจญานังทีกะวิปริตะเทสะโรปาคมาจะ อัตโนปธานิปัสสะปัตตังอการคโมหิยตันีอจตนีการติปติสุปรโตอิทิมหิตาตุสันโตโรโปเนกสารส อิสยะมูนั a มันโตจัชวะการิตานังโนโลปังอิติอาคยติอิติอาคยตากเปจะตุทกันโดอาคยสุตังนิตติตังกิพิธานะทารุยยกามาติมหินุสัญญายะมโน ปุเรตาตาจะ잉สัพโตนวตววิวาวิสรุชาปตาติโตนาภาเวจกวิจทตราติหิรัมโมตัศิราติหินีตววิวาสตากุฏาจรมั a ตะรุจติหิยุ ปาราติคมิมหารุปิคติโตจานาตยาทีนังนุโกโนเนกิตังประทันเตสังหนาญยยาวาโรโครมิรันโยราธิโนภาวะกามเมสุตตปานิยาเนโยจา การามาฤจจพุตโาวัฒมัตากามุยุชาการาการาหาการาติหิชาชามามาคักกัยเยาคารวาเตกิจญาอันเยกิตตานันทาทิหิโยกัตุ กนะรณะปเทเสสุจาราทิตโตนาอติกิพิธานากเพพะเปปัโมกันโดนาะทยเตการิกาสัญญ า, ยท า, ทาอย่างททาโตอิติกิจาศิเตอิติยามติยวว า, าการะโตเรริยะ อาทิเตตะตะวันตุตาวีภาวะกาเมสุตตะพุทธะขมาอาทิเตกัตริจิตโตอินาศพัทธาศพตโตจะอิสังทุสุหิกาอิชเตสุสัมมาณักตุเกสุตะเวตุงวา อรหัสกัติสุจัปัตตวัจเนปัตตะวัจเนอรมัดเถสุจปุบภะกเลกะกัตุกาังตุตวานะตวาวาวัตมะเนมะนันตาสัสติหิรตุปติโตริโตมานติหิรตุ อาขมาตุโกภะเพิกะอิทิกิปิธานะกเปตุติโยกันโดปัจจะยาธนิตานิปัตนาสิชนติสาสาทิสะโตตัสสะริโตจัสาทิสันตะปุจจะปัญจะหันสาทิหิ หันตาทีห่ตะโทวัสตโอุตตะวัสสาวุทถาตาพาเฮหทัททาจาพันชะโตคาโคจัพุจัตินัมมันโตโนทวิจาวัจสาวุคุปาทินันจั ตราติหอินโนพิทาทิตโตอินนาอนนอินาวาสุสปัจจสกตโตกักาจาปกามาติหินโตจชนาตินามาติมิจจาคามาคณาหนะระ มาธินมันโตรักาโรจ่าทาปะนมิอิจาหันเตหิโหหัสะโรวาอัตตหนะหานังอิทิกิพิธานะกเปตติโยกันโดนามิหิ รันชาตสาโชภาวการเนสุฮานาสาคาโต้วาโทวาสัพทาอากาแรนตานาไมโยปุระสมุปปปะเรหิกะโรติสักกะคราวาตาปะเจเยสุจัก เวุตุนาทิสุกาขามกันขามะคะนหานาทินังตุงตาพาทิสุนะสเปหิตุนาทินังโยจะนันเตหิรัจจังทิสาสวานาสวันตะโรโปจามห ทัเพหมมะยห์จจะะะทาจตัตสมัสะกิตะกานังวาตปัจเยสุจัทุมฮิรุตีโคจักอเรหิการะ ยะตาคมิการุทันตะโยกวจิอิติกิพิธานกเปจะตุโทกันโดเนคะฮีตสังโยคาทิโนสัพะเคคีส no. ัพะเคคี สทัตสะสะทัตตังสะัตตะสีทัตตังสะทัตสะัตสะสีทัตตังสีทัตตังยะยะสะสระสีตะเทหจตุธาณมันตานังโทเทโททกร กหัสกัรเนวาตหัสโทลังทะวะทาตวาทาตะวันตัสสะโรโปโกวินหิวิทันเตอูนะมะกะราณมันตานังนิยุตตมหินะกะวัดทงัง จะชาณอุญนาบุญหิการรัชกาตาทัตังตุสิงตุมตุมหุตุมทุนาตเปสุวา กริตังวิยะนานุพันโทอนากายุนาวูนังกะกาจชานังอิติกิพิธานะกะเปปัญจโมกันโดกิพิธานะสุตังนิตติตัง นาธิกะปะกตริกิตตาภาวะกามสุกิจจกิจจตักกะกาภาวะกามสุกิจจตักขทากะมนิปตุติยายังตัตโต ยตหีนามะนามะมัจตวาสมาตีหีธรรมะขจฉปัเสวามัสสุสัสสสัชระเชระอภูปะจารสัจจาระการะ สรรหิละยายานาลานายานายานาลานามหาิสัทสโรจาปัสสทิสะปัสสเปรสทิสักกัปปะตะการีสุกิจัก อาวสกตา ม, ม, มิเนสุนิจจาอารหาหสกทิหิตุงวชาติปุพพชาทยนิปัจ ช, ชะเตกวโรโปจาสจฉานังกะกานาโน พันเถโนัติหิโยนาวุนามนากานกสัการิเตหิจาอิยะตะมะกิงอิสานะมันตัสโรตีขังกวิ สุสสะคุนังโทรังก <gerek> ัคคีจ่าพยาทิหิมัติพุทธิภูชาติหิจัตโตจัตตโตอโกเสนัมหิอโกเสนัมหานี เวปุสีทวะวะมุกทาตวติหีทุติมนิมานิพเตะอกนำหาณีเอกาทิโตสกิสสะกตุงสุส um ัมสนัสสุนโนวานุวานะ คุานาตารุณสสะสุจ an ักยุวส uh ุวสุวุวานูนากาเลวัตมนาติเตนวะทะโยภาวิสันติกะมาทิหิ นิคินคินาตมาสนิคิพเวสันติธรมติหินนิคินกริยายังนาวตวภาวะวจิมฮิจตุทีกัมมันน เสสสังนัตุมานนาสัทัติหิตัตรันวะทัติหินิตโตคุณีมิทัติหิตัติทิโยอุสุราอุสุรันชะทัศนัง ธรมสสะทุทโธทัทฐาจาสุวสานโมวุสานะมัตโตโธจรันจุตาทีหิาทิททิตทกกิรากิรากวัจจิ จัตโรมโฉจัตปติโตหิสะกเรวะปติโตหิสะเฮรนาเฮรนาเฮรนปติโตหิสะเฮรันรัน กหทิตโตโกกาตามักกมานังกันตะตะคันธาปะตาทิตโตยังปุทสะปุทุปะทาโมวาสสวาตีหทุตโวชาจยาติหีอีวโร มุตตาติหิจิวิทวาทิตวิทวาวิทาวิทาติยูโรวิทาติหยูโรนาทีหินุนุตโวกุตติหิโท มโนปุระสุนติหิอุสนุสาอุสนุสิสาอิติกิพิธานาเกเปอุณาธิกะโปฉัตโขกันโดอุณาธิสุตังนิตตังกัจจายานาสุตังนิตตัง